บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของอุปาทานคือจิตที่มีความยึดมั่นถือมัน่นในวัตถุทั้งหลายและในอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นการจำแนกแสดงถึงสภาพของกิเลส ที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วแสดงอาการออกมาในรูปของความยึดติดในลักษณะต่างๆคือการมุปาทานยึดติดในสิ่งที่ตนใคร่เดิมนาจของความใคร่ระหว่างสองตัวนี้ตัวความใคร่มีบทบาทสําคัญมากเพราะถ้าหากว่าตัวความใคร่ได้สงบระงับลงไปจากใจจนถึงดับไป วัตถุทั้งหลายภายนอกก็คงเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ว่าจิตของบุคคลไม่ยึดติดอยู่ในวัตถุเหล่านั้นในด้านของที่ถูกปาทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นตามปกติมาตามปกติแล้วก็ออกมาในทางผิดกับทางถูก ส่วนในรายละเอียดก็ผิดมากผิดน้อยรละถูกมากถูกน้อยนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดที่สันจําแนกแสดงไว้โดยประยายเป็นอันมากตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลสามัญชนทั่ ว, วไปจะต้องมีความเข้าใจผิดอยู่ในหลายๆเรื่องตามพื้นฐานของจิตที่พัฒนาไปยังไม่เต็มที่คนที่ได้ชื่อว่าเป็น ผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นคือมีทิฏฐิที่สมบูรณ์ไม่มีความเห็นที่เพื่อวิปริตออกไปนอกธรรมนอกวินไนจนถึงก็ตกกระบายซึ่งก็หมายความว่าในชั้นนี้ท่านอาจจะมีความเห็นผิดอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ตกกระบายก็ตั้งแต่ประสูติบันขึ้นไปแต่ในขณะเดียวกันท่านที่เป็นประสูติบันนั่นเองยังยึดถือเรื่องบางเรื่องอยู่อย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่อง ธนนาธวินติกาเสฐีซึ่งเป็นปะโสดาบันร้องให้เสียใจในการที่ลูกสาวของตนตายไปหือนางวิสาขาซึ่งเป็นปะโสดาบบันแต่ก็ต้องร้องให้เสียใจเมื่อล้านของตนตายไปเป็นตน้นอันเป็นการแสดงเห็นว่าปิย ว, วิปโยคคือการพ ร, รากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของอันเป็นที่รักนั้นท่านยังไม่สามารถทำใจได้ในหลายๆเรื่องท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า กามราคะคือความกับหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่นั้นยังไม่ได้หมดไปจากกิจใจของท่านพระโสดาบันท่าน ย, ยังมีครอบครัวมีบุตรมีปัญญามีสามีเยี่ยงสามัญชนทั่วไปกิเล ส, ส่วนทนี่ท่านละได้ก็คือส่วนนิ่ท่านละได้ส่วนที่ละไม่ได้เพียงแต่ก็ลดความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นเอาไว้เกิดจะถูกกิเลสครอบงำ แต่ไม่ถึงกับทําอะไรรุนแรงจนกลายเป็นวจิจีทุจริตหรือเป็นกายยุจริตมันจะเกิดขึ้นภายในจิตจนมีความโศกท่วมทับใจเป็นต้นคนที่จะเข้าถึงความสมบูรณ์ในด้านนี้จริงๆก็ต้องอาศัยการรู้ตามหลักของอริยสัจทั้ง4ี่ประการที่เรียกว่าเป็นสมาธิที่สมบูรณ์บนบทเส้นทางของการประพฤติปฏิบัติในตอนต้ น, ตน พระเจ้าจึงมองในรูปของการพยายามที่จะขัดเกลาหรือพยายามล ด, ดละพยายามบรรเทาเวลาความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลส่วนใหญ่จะสอนในรูปของการบั้นเทาและมีสติระลึกรู้ทันทีในขณะนั้นๆั้นว่าการมุปาทานได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในขณะนั้นการมุปาทานยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรก็ศึกษาสืบสาไปถึงต้นเหตุของการมุปาทาน เราศึกษาวิธีวิธีการที่จะลดละที่จะบันเทาอุปาทานเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่จะลดละไปเรื่อยจนถึงสามารถที่จะตัดขาดได้ในที่สุดการตัดขาดจึงเป็นเ ป, นป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เป็นเป้าหมายในตอ น, ต, อ น, ต, อนต้นๆแในขณะเดียวกันเป็นสังเกตว่าถ้าปัญญาเป็นเครื่องปีนิจน์นาของบุคคลมีปริมาณมากกว่าบุคคลก็อาจจะตัด การยึดมั่นในวัตถุอันเป็นที่ใค ร, ร่ด้วยอำนาจของความใคร่มันก็ตัดรอนลงไปได้เรื่อยๆระษับความเปลี่ยนแปลงทางจิตของบุคคลบึงสังเกตขั้นตอนของโลกธรรมทั้ง8ประการนะที่จริงก็มีส่วนที่เราชอบอยู่สี่ในส่วนที่เราไม่ชอบอยู่สในส่วนที่เราชอบนั้นก็คือลาบยศสันเสริญสุขในส่วนที่ไม่ชอบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศถิ่นธาตุ ตามปกติแล้วจิตจะมีความใคร่ในลาบในยศในสรนสุขแต่ว่าจริงลาบายศสรันสุขนั้นเป็นพวกวัตถุกรรมซึ่งเกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายไปดยเหตุเป็นด้วยเหตุเป็น ด, ย เ, เนดยเหตุปัจจัยของบุคคลตัวนั้นอาวาการมุปาทานมีอยู่มากก็จะดิ้นรนไ ข, ขว่คว้าปรารถนาเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหลดนั้นโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมแต่ในขณะเดียวกันถ้าอุปาทานส่วนนี้ลดลงไป อาจะมีการแสวงหาจะควบคุมทิศทางของการแสวงหาเอาไว้ให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีกามไม่ถึงกับผิดกฎหมายไม่ถึงกับผิดศีลธรรมไม่ถึงกับนาจิตใจของตในให้ขุดมัวเศร้าหมองแต่ถ้าหากว่าปรกรศมุปท า, านลดลงไปกว่านั้นตัวเองก็บุ่งแต่จากการรในส่วนที่ดีงามซึ่งเป็นเหตุเกิดของลาภยศสรเสสิญุขแต่ไม่สนใจว่าลาภยศสเสสญุขนั้นจะเกิดหรือว่าไม่เกิดหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไร่หรือเกิดขึ้นอย่างไร ถ้าหากามาก็มีความยิน ด, ดีพร้อมที่จะยอมรับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มาก็ไม่เท่าโศกเสียใจซึ่งแสดงเห็นว่าใจมีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ถึงกับตกอยู่ภายใต้อํานาจของลาภยศส่วนสุดแต่ในขณะเดียวกันเมื่อใช้ความเพียรพยายามไปแล้วหรือทําปฏิบัติกิจการงานไปแล้วแม้จะไม่ได้ก็ไม่เกิดความทุกข์ความโทนั้นถามมกิเลสมีอยู่หรือไม่ก็ตอบก็มีอยู่ เพียงแต่ว่าเราควบคุมทิศทางของกิเลสเอาไว้ได้ก็เรียกว่าเป็นนายของกิเลสแทนที่จะให้กิเลสเป็นนายเราในเรื่องของที่ถูกประทานก็มีลักษณะอย่างเดียวกันตามปกติแล้วการยึดมั่นหรือมั่นโดยอำนาจของทิฏฐินั้นจุดที่สำคัญก็คือการครบหาสมาคมกับคนที่ไม่สามารถจะให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องเหล่านั้นได้เมื่อได้มีการรับรู้ในสายนั้นมากยิ่งขึ้น ก็มีการปักใจฝังใจยึดติดวสิกนั้นก็คือความถูกต้องดีงามและตัวเองก็ไม่มีพื้นฐานในการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาที่ท่านใช้กรรมาขาดโยนในโสพนัสิกานเกาดการทำไว้ในใจด้วยบานแยบคายคนนี้เพ็่สังเกตว่าความเห็นผิดในบางเรื่องนั้นที่จริงไม่ใช่รุนแรงอะไรนักหนาแต่ว่าเป็นการปิดกัน้นความเจริญก้าวหน้าสาหรับบุคคลผู้นั้นเอาไว้ในตอนใดตอนหนึ่ง เจริญรติคณาจารย์เจ้าลัติที่พระพุทธเจ้าเข้าไปศึกษาในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัสรูปถ้าพูดถึงคําสอนของคณาจารย์เจ้าลัติเหล่านั้นเจตานอาลาดาบ ท, ทาอุทกกระดบดั น, ด น, นก็เป็นคําสอนในการพัฒนาจิตใจของบุคคลขึ้นไปโดยระบบของสมถะกรรมฐานที่เราเรียกในตอนหลังโดยการปฏิบัติตามคําสั่งสอนท่านเมื่อขึ้นไปได้เรื่อยๆจนถึงอรูปกรรมฐานหรืออรูปปัญญาข้อที่สี่ สมัยความมาได้สมาบัติทั้งแปดประการแต่ข้อปฏิบัติเหล่า น, นั้นเป็นไปเพื่อพบสามารถบรรเทากิเลสได้บรรเทาความทุกข์ได้แต่ไม่สามารถตัดความทุกข์ในกระแสของสังสารวัฏได้เพราะท่านยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีอยู่เป็นนั้นมากอาศัยการคบหาาสมาคมกับท่านท่านก็สั่งสอนมาท่านอย่างนั้นลูกศิกยรับรู้ไปเท่านั้นเข้าใจไปเท่านั้นแะในสุดก็ยึดติดเอาอย่างนั้น วันนี้แหละเป็นทางสุดแถ่งทุกแล้วท่านก็ไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนไม่ไม่พยายามต่อไปทํานองคล้ายๆกับเราต้องการจะเดินไปในสถานที่ใดที่หนึ่งเราไม่รู้จักสถานที่เหล่านั้นอย่างชัดเจนว่ามันมีอะไรเป็นอย่างไรเมื่อไปถึงในที่ใดที่หนึ่งก็มีคนบอกว่าสถานที่นี้แหละคือที่ที่เราจะต้องการไปแต่เราก็มาถึงแล้วเราก็เข้าใจว่าสถานที่นั้นก็คือสถานที่ที่เราต้องการไปจริงๆ มีการอธิบายมีการชี้แจงแนะนําเราก็ยึดติดอยู่ในสถานที่นั้นว่าตรงนี้แหละคือที่ที่เราต้องการจะมาในสุดโอกาสที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปจริงๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอาศัยการคบหาสมาคมกับคนที่บอกกล่าวชี้แจงให้เฉพาะตรงนั้นแล้วตนเองก็ไม่มีข้อมูลในการพิจารณาเทียบเคียงอะไรที่จะแยกแยะออกไปได้ดังนั้นท่านก็หยุดอยู่ตรงนั้นเอง แต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้านั้นท่านมีโยนในโสโมนาสิการแน่นอนท่านก็เรียนอยู่ในสำนักของอาราดาบตุตรโกระบดเช่นเดียวกับลูกศิษย์คนอื่นแต่ท่านมีหลักโยนิโสมนาสิการาท่านท่านพิจารณาไครครวนโดยเหตุโดยผลโดยวายยวิธีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือดูผลซึ่งเกิด ข, ขึ้นไปในจิตใจของเราก็จ ง, งเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆมันมีความสงบขึ้นมีความประเนิดขึ้นมีความเยือกเย็ยนขึ้น แต่บางครั้งบางข่าวไปกระทบอารมณ์ที่ชวในให้เกิดกำนัดชวในให้เกิดขันการขัดเคืองจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกระแทกของสิ่งเหล่านั้นซึ่งในการแสดงเห็นว่าผลที่บรรลุในขณะนั้นยังมีลักษณะวันไหวไม่มั่นคงยังมีความแปรผันไปเป็นอย่างอื่นได้อารมณ์บางอย่างที่มากระแทกใจนั้นก็ไม่รุนแรงแต่ก็เราก็กระทบก็เถือนไปแล้วก็แสดงว่าถ้ารุนแรงเราก็คงจะเสียการส่สงทรงตัวไม่สามารถที่จะดํารงความเป็นคนดีไปได้ พระโพธิสัตว์เทวกราชทิ้งการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนั้นดังการขาจัดความเห็นที่เป็นทิ่ถุกปาทานซึ่งท่านหมายเอาความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิจําเป็นจะต้องอาศัยการคบหานสมาคมคนดีที่เราเรียกว่าการญาณมิตรบอกทางชี้แจงแสดงเหตุผลให้เสนอข้อเทียบเคียงเพื่อ่งเสริมสร้างให้เกิดความคิดพินิจพิจารณา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการมองผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตอนเองด็งการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นอาจจะมีวิธีสอนกันโดยวิธีการต่างๆแต่หลักคำสอนในทางพุทธศาสนาพระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานผุคคนก็มาตรวจสอบดูถึงว่า จากการศึกษาการประพฤติปฏิบัติของตนเองนั้นมีความรู้ยิ่งขึ้นหรือไม่และตัวความรู้ที่เราคิดว่ายิ่งนั้นเป็นความรู้ดีหรือไม่แต่ความรู้ดีที่เราคิดว่าเรารู้แล้วนั้นเป็นไปเพื่อความดับกิเลสได้หรือไม่ก็มาดูตัวกิเลสว่ากิเลสมีประเภทต่างๆ ที่สรุปรวมเป็นความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นก่อนจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะกับในขณะที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะและหลังจากประพฤติปฏิบัติธรรมะไปแล้วปริมาณของกิเลสได้ลดหรือไม่ลดลงหรือไม่ถ้าว่าไม่ลดลงแสดงว่าสิ่งที่เราคิดว่ารู้ยิ่งรู้ดีนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับกิเลสมันก็มองกลับไปว่าตัวรู้ยิ่งรู้ดีนั้นไม่ใช่รู้ยิ่งรู้ดีเพราะถ้ารู้ยิ่งรู้ดีแล้วจะต้องดับกิเลส การดับกิเลสนั้นหมายความว่าอย่างไงคือบางครั้งบางคราวนั้นเป็นสังเกตว่าเราก็ไม่รู้ว่ากิเลสเรามีหรือไม่มีในเรื่องเหล่านั้นแต่เราอยู่ส ง, งบอยู่ในที่ใดทิศหนึ่งอาจจะด้วยการเจริญสมาธิโดยการนั่งทำกรรมาฐานจนถึงบรรลุฌานไปเป็นต้นเนี่ยเวลาไม่มีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกจิตใจเราอาจจะส ง, งบอยู่ได้ ไม่มีความกัหนัดไม่มีความขัดเคืองไม่มีความรูมหลงไม่มีความบกเม่าในอารมณ์นั้นแต่พอเจอกับแรงกระทบก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรบ้างแต่ตพอจิตใจแปรผันไปเกิดความกัหนัดเมื่อถูกอารมณ์ยั่วยวนให้เกิดความกัหนัดเกิดความขัดเคืองเมื่อถูกอารมณ์ยุ่ให้เกิดยั่วยวนให้เกิดความกัดไรวยให้เกิดความขัดเคือง <c> ก็เป็นการแสดงว่าในขณะนั้นกิเลสมันไม่ได้ดับ แต่มันเป็นเพียงการส ง, งบกิเลสไว้ชวั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ก็อาจจะพิจารณาเทียบเคียงว่าการเกิดขึ้นของกิเลสนั้นมันเกิดขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่าเกิดขึ้นน้อยลงในขณะที่อารมณ์ซึ่งยั่วยุย่วดนั้นมีปริมาณเท่ากันถ้ากิเลสเกิดขึ้นน้อยกว่าเดิมก็แสดงว่าดีขึ้นแต่ก็กิเลสยังเหมือนเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมก็แสดงว่าไม่มีอะไรดีขึ้น บุคคลยังสามารถตรวจสอบได้โดยใจของตัวเองตามนัยยะของรรตมคุณที่ได้กล่าวไว้อยู่เสมอก็คือสันติโกคือผู้บรรลุธรรมปฏิบัติธรรมเห็นธรรมจะรู้ได้โดยตัวเองและเป็นปัจจิตังวิติโตโบวินโยหิคือวิญโยชนจะรู้ได้จะพ้นตนเดอที่ถูกประทานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเป็นการกระทําที่เป็นกุศลแต่ว่าเป็นการยึดติดในแนวใดแนวหนึ่งโดยไม่ยอมผ่อนคลายจากแนวตลันั้น อย่างการปฏิบัติของท่าน阿าดาบุตรทกกระตบดังที่กล่าวมาแล้วที่จริงมันก็เป็นที่ดีที่ดีเฉพาะในช่วงนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเพราะว่าสามารถปฏิบัติขึ้นไปได้เรื่อยสูงพอสมควรแต่เมื่อท่านถือว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางของนิพพานไม่ใช่ทางอื่นก็แสดงว่าจุดที่ระยุดติดตรงนั้นเองกลายเป็นความเห็นผิดอันนั้นแม้ในเรื่องของธรรมะปฏิบัติ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราประพฤติปฏิบัติไปแล้วที่จิมก็ถูกในตอนนั้นแต่ถ้าเกิดไปยึดจิตเพราะอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องในแง่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนก็เป็นการปฏิเสธพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนอื่นนอกจากส่วนที่เรายึดถือก็ทํำให้ขัดแย้งกับกวาจาที่เราเปล่งว่าธรรมแสดงกัจฉามิพระพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสนาที่พึ่งที่ระลึก ดังความเห็นในแนวนี้ท่านจึงถือว่าเป็นความเห็นผิดในระดับที่เป็นความยึดจิตจนถ่าย t อนได้ยากและในสุดก็จะมีการเกาะกลุ่มกันเมื่อก่อกลุ่มกันก็กลายเป็นลักษณะเดียวกับที่กล่าวไว้ในตอนต้นคือแนวของท่านอาลาตาบทุตตกกระดาบท พอนเรื่องของทิฏฐิท่านจึงสอนให้ใช้หลักของโยนินโสมนสิการพิจนาเทียบเทียงอยู่เสมอแม้เราจะอยู่ทากลางของสัตว์ประหลหรือขปหาสมาคมกบัดิตแล้วก็ตามเพราะผลที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้นั้นเองไม่ใช่อาศัยรูปแบบพิธีกรรมต่างๆหรือการแนะนาสั่งสอนเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าผลไม่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ต้อง เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามเพื่อผลเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนให้ได้ลักษณะของอุปาทานที่กลายเป็นทิฏฐิบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องของความประเมยียดทำให้มันไม่ถึงกับห้ามสวรรค์อะไรสามารถที่จะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ได้บังเกิดในพรหมโลกได้แต่ไม่สามารถบรรลุ น, ลนิพพานได้เพราะอะไรเพราะว่ายังมีลักษณะของสักกายะ กายยทิฏฐิคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวทือตนหรือเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนซึ่งท่านจำแนกแสดงออกไปโดยรายละเอียดถึง20ประเภทด้วยกันแต่ใน20ประเภทนั้นถ้าเรากล่าวโดยสรุปก็จะมีอยู่4อย่างเป็นการมองที่ขันทั้ง5ข้อนี้ท่านสาธาชนจะต้องเข้าใจอีกในยะหนึ่งว่าเมื่อกล่าวโดยในยะหนึ่งแล้วโลกทั้งปวงนั้นสรุปรวมที่ขันทั้ง5ประการ คือสิ่งใดที่เรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสหข้างต้นสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นรูปประคันคือกองของรูปส่วนใดที่เรารับรู้ด้วยใจของเราเป็นความสุขเป็นความรู้เรื่องเป็นความจําเรื่องเหล่านั้นหรือความรู้อารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาต่างตาหัจมูกลิ้นกายก็ถือว่าเป็นกลุ่มของนามนามมันก็มีอยู่สองอย่างก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดอาการจิตแล้วก็อาการของจิตจิตนั้นตามปกติแล้วท่านอุปมาเหมือนกับน้ําที่ บริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสด้วยตัวของมันเองแต่น้าก็พร้อมจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ย น, ยนรสได้เพราะอาศัยสิ่งที่เข้ามาเจือปนถึงท่านเรียกในที่นี้สําหรับจิตท่านเรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่มาเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตเพราะในความเป็นน้ำจึงมีอยู่สองช่วงช่วงแรกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งจิตพอสิ่งนั้นปรุงแต่งแล้วก็จิตก็แสดงอาการไปตามสิ่งเหล่านั้น เช่นสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดสุขหรือสิ่งที่จิตปรุงแต่งให้จิตกําหนดว่าเป็นสุขเมื่อเกิดขึ้นเราก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่จิตปรุงแต่งว่าไม่ดีมาปรุงแตง่งจิตได้เห็นว่าไม่ดีพอเราสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นความรู้สึกเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นทุกขเวทนาเป็นต้นดังนั้นการมองในแนวของสักกายะทิฏฐิ คือความเห็นเป็นตนนั้นจึงออกปาในรูปว่าขันห้านั้นเป็นเราหรือเราเป็นขันท้าหรือขันทามีอยู่ในเราหรือเรามีอยู่ในขันห้าซึ่งกลายเป็นหลักคำสอนที่มีอยู่ในาศาสนาต่างๆเช่นว่าชีวิตแต่และชีวิตได้เป็นส่วนย่อยซึ่งออกมาจากสิ่งสูงสุดอาจจะเรียกว่าพรห ม, มปรา ม, ามัตตมานบ้างพระเจ้าบ้างหรือเรียกชื่ อ, อยางอื่นบ้างนี้แสดงว่ามีตัวตนที่ เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเดินทางจากจุดสูงสุดเข้ามาเป็นชีวิตร่างกายและถึงตอนสุดท้ายก็จะกลับไปรวมกับสิ่งสูงสุดก่เกิดการยึดติดว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันเพียงแต่ว่าออกมาจากจุดเดิมแล้วก็เดินทางหมุนวนระยะหนึ่งแล้วจะกลับไปหาจุดเดิมเท่านั้นเอง ความเข้าใจในลักษณะนี้ถ้าหากว่าเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลไปเพิ่มพวกกิเลสประเภทต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกปัญหาตัญหาหรือ ก, กิเลสสายโลภะทั้งหมดนั่นแหละลักษณะการขวายคว้าวัตถุสิ่งของต่างๆของบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนั้นผิดสังเกตว่าส่วนลึกๆแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาสามารถเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นอยู่ได้ตลอดชัว่วนิรันดร์หรืออาจจะเข้าใจว่าตัวเองนั้นจะ อยู่ใช้ทรัพย์ใช้สอยทรัพย์ ส, สินเงินทองเหล่านั้นตลอดไปแม้ปากอาจจะพูดว่าเราอยู่ไม่กี่วันจะตายแล้วแต่ว่าทัาใจยังขวอยคว้ายังปรารถนายังสแสวงหาการไม่หยุดโดยไม่คานึงถึงความถูกต้องตามจริยธรรมหรือไม่ก็หมายความว่าลึกๆจริงๆมันก็เป็นอาการของสัตตะทิจจิคือความเห็นว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแล้วก็ตนเป็นของเที่ยงบทอะไรจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเรามีกิเลสเหล่านั้น ก็มองสังเกตว่า เ, าเวลาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแก่สลายไปแก่เปลี่ยนแปลงไปแก่แตกทําลายไปแก่เสื่อมไปหรโดยไปจนลักขโมยไปเลยจะเกิดเศร้าโศกจะถามว่าทําไมเศร้าโศกเพราะเราคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องอยู่กับเราตลอดไปพอสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่กับเราตลอดไปก็ทําให้เราเกิดความเศร้าโศกล้วถามว่าทําไมจึงเกิดการคาดหวังก็แสดงว่าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน เมื่อไปเจอกับความไม่เที่ยงใจเราก็ยอมรับไม่ได้เมื่ยอมรับไม่ได้เราก็เกิดความเศร้าโศกหรือว่าเตาตัวเราเองประสบกับความแก่ความเจ็บความตายด้วยการพลาดพลาดโดยเฉพาะความแก่ความเจ็บความตายดิจัยเรายอมรับไม่ได้เราแสดงว่าเราคิดว่าเราเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะงั้นไม่ควรจะแก่ไม่ควรจะเก็บและไม่ควรจะตายพอเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาหรือเกิดการพลาดพราดขึ้นมาเราเกิดความเศร้าโศกนี้ก็คือย้อนไปย้อนมาของกิเลสที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันเดีกัน ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้อย่างแนวของปัจจัยการที่เคยยกตัวอย่างไว้ไ ว, ไ ว, ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีบังคัทยอยกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็ตีกลับไปกลับมาได้อยู่เสมอแม้ในเรื่องของกุศรธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นเช่นว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรร ม, มซึ่งเป็นผลรวบยอดหรือผลโดยสรุปไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกําหนดรู้สภาวะความจริงของทุกขสัตย์ และทำใจได้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ลูกพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ก็ดีหรือการมองเห็นโทษของกลุ่มสรรพกิเลสทั้งหลายที่มีชื่ออย่างไงก็ได้แล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละบันเทาสงบระงับดับกิเลสเหล่านั้นลงไปหรือมองถึงผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแล้วพยายามขนไายดิ้นรนเพื่อจะสัมผัสผลเหล่านั้นโดยการลงมือประพฤติปฏิบัติ ตามหลักของมรรคศาสตร์คือกลุ่มของกุศลธรรมที่เป็นส่วนเหตุทั้งหลายเช่นสติสัมปชัญญะความเพียนเป็นต้นผลที่เกิดขึ้นมานั้นจะย้อนกลับไปกลับมาอยู่ในกลุ่มของพระพุทธคุณแต่หมายความว่าต้องกลับไปกลับมาได้ตลอดคือปัญญานั้นได้บังเกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคลในระดับใดระดับหนึ่งในช่วงที่ปัญญาเกิดขึ้นนั้นจะสะท้อนในเหุอีกสองตัวก็คือความบริสุทธิ์ จากกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในระดับนั้นๆเมื่อกิเลสก็เราสงบลงไปจิตใจจะมองคนด้วยความรักความเมตตาหรือความกรุณาบางครั้งก็กลายเป็นความรักบางครั้งก็เป็นเมตตาบางครั้งก็เป็นกรุณาข้อนี้ขึ้นอยู่กับความจางไปของกิเลสซึ่งอาศัยปัญญาเป็นเหตุใ้บังเกิดขึ้นแต่บางครั้งอาการของความรักความเมตตาหรือแม้แต่ความกรุณา อาจจะไม่ใช่เป็นอาการของจิตที่บริสุทธิ์ก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นเนื่องมาจากปัญญาก็ได้ท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเรื่องของความรักนั้นจะ ก, กาหนดรูปลักษณะของสิ่งเหล่านั้นที่มีความประณีตสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อเราเห็นความสวยงามเหล่านั้นเราก็เกิดความรักแต่เป็นความรักในการมุ่งตอบสนองความต้องการของดุที่บังคืขึ้น แสดงว่าใจไม่ได้มีธรรมะแต่ว่าใจมีราคะคือความกับหนักในรู ป, ปรวัตถุเหล่านั้นต้องการถือครองครอบครองต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นเมื่อไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือเกิดความกบขันใจขึ้นมาแสดงอาการของความรักนั้นไม่ใช่บริสุทธิ์แต่พอถึงเมตตาก็มีลักษณะเ่นเดียวกันบางครั้งบางคราเราอาศัยอาจจะมองเด็กหรืออาจจะมองใครก็ตามหน้าตาหน้าเอ็นดูพ่อแม่เขาเป็นคนใหญ่คนโต เราก็ไปแสดงความเมตตากับความการุณาต่อเด็กเ่านั้นโดยมุ่งหวังจะให้เป็นที่พอใจของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กเหรานั้นในลักษณะมุ่งผลประโยชน์ที่ตัวจะได้จากพ่อจากแม่แต่เป็นการเข้าไปทางเด็กแสดงว่าเป็นการกระทําด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ถึงกระหมายความว่าปัญญานั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ทำไปด้วยโม่ะใจก็ไม่บริสุทธิ์แยวก็เป็นอาการของพวกสิ่งที่เรเรียกว่าอุปกิเลส ลักษณะของอุปเกเรนนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับพวกอุปาทานเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นกรุ้มใจในะละนักษณะคล้ายๆนิวรณ์ก็ที่จริงก็คืออาการของนิวรณ์นั่นเองเพียงแต่ว่าแยกแยกออกไปโดยวิจิตพิสดารนิวรณ์แยกออกเป็นเพียงหข้อแต่อุปกิเลสแยกออกไปถึงสิบข้อแต่ในสิบหข้อนั้นก็รวมอยู่ในหข้อและในหข้อก็รวมอยู่ในสข้อคือโรคปวดหลงและในโรคปวดหลงเองก็รวมอยู่ที่อวิชชาเพราะฉะนั้นตัวเลข จึงไม่ควรจะไปติดใจปริมาณของตัวเลขว่าทำไมตัวเลขถึงไม่เท่ากันที่จริงแล้วเป็นอัญญบันญัตปัจจัยคือเป็นปัจจัยของการอะกันอาการบางอย่างนั้นอาจจะออกมาในรูปของคล้ายๆความรักความเมตตาความกรุณาเช่นลักษณะของมายาลักษณะของการโอ้อวดลักษณะของการแข่งดีลักษณะของความถือตัวลักษณะของการประจบประแจง เป็นการมุ่งหวังผลประโยชน์ที่ตนจะได้คือประรูตนเป็นเหตุแต่ว่าลักษณะของกรุณานั้นไม่ใช่ประรูตนคือไม่ได้มองว่าตนจะได้อะไรแต่ว่าคิดว่าตนจะให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้อย่างไรจะให้โดยวิธีใดให้ไปแล้วก็จะได้รับประโยชน์อะไรเพราะความรักบางครั้งอาจจะบริสุทธิ์ก็ได้ความเมตตาอาการของเมตตานั้นแน่นอนต้องบริสุทธิ์ จากการมราคะและจากพยาบาทแต่ว่าตัวอาการนั้นอาจจะเป็นเมตตาก็ได้อาจจะเป็นอาการของกิเลสก็ได้เพราะนการมองจึงต้องมองกลับไปกลับมาได้ว่าในกระบวนการของปุสสนนั้นจะต้องสืบเนื่องมาจากปัญญาและมีความบริสุทธิ์ในขนาดนั้นอาการของความรักความเมตตาความกรุณาจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์เป็นอาการของธรรมะจริง การแสดงความเมตตาออกไปนั้นขจัดการมราคะขจัดพยาบาทได้จริงการแสดงออกซึ่งความกรุณานั้นสามารถขจัดความเบียดเบียนความเศร้าโศกได้จริงๆเพราะันการศึกษาธรรมะด้วยการมองธรรมะนั้นจึงต้องดูที่ใจเราเองไม่ใช่ไปดูที่ใจคนอื่นเพราะดูที่ใจคนอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันตามปกติแม้ในจิตา น, ปนาุปัสสนาสติปัฏฐานหรือแม้แต่ในเจโตปริยาน การรู้ใจการเข้าใจนั้นที่จริงแล้วท่านเน้นไปให้ดูที่ใจตัวเองเพราะผลคือเจตวปริยานที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งของพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าทรงรู้ทั้งพระทัยของพระองค์และจิตใจของบุคคลอื่นแต่ว่าในทางปฏิบัติสมัครคนรู้ตัวไปก็ดูที่ใจของเราว่าในขณะนันใจเราเป็นยังไงบ้าง มีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะสงบหรือไม่สงบฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นตั้งมัน่นหรือไม่ตั้งมัน่นก็ดูมาทั้งสองตัวแต่ว่าในสายของอุปาทานนั้นให้ดูเฉพาะตัวที่เป็นกิเลสแล้วก็สืบสาวไปถึงที่มาที่ที่ไปที่มาของกิเลสเช่นเดียวกับการสืบสาวในสายของนิพพาน ไม่ว่าจะเป็นการมุปาทานถือมั่นโดยอำนาจความใคร่ที่ถูกปาทานถือมั่นโดยอำนาจของทิฏฐิกะตักก็อมองดูที่ใจของตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นภายใ น, ในใจิตใจเราหรือไม่แน่นอนส่วนลึกๆแก่ก็มีแต่เกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจหรือไม่ก็เป็นการดูในแต่ละขณะเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็สืบสาวถึงที่มาของสิ่งเหล่านั้นว่าทําไมจึงเกิดขึ้นเช่นการมุปาทานนั้นเกิดขึ้นจากเชือ้อคือกามาธาตุ ซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราแล้วได้เกิดขึ้นจากการกําหนดหมายอารมณ์ที่เราสัมผัสในชีวิตประจําวันกาหนดรูปสวยเสียงไปเรากลิ่นหอมรสอร่รรอยสัมผัสน่าจะต้องทุกครั้งที่กําหนดนั้นได้เพาะเชื้อความใคร่ให้มีกําลังมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราลองสังเกตรเราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าความอยากของเรานั้นมากกว่าเดิมวัตถุที่กําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจนั้นมากกว่าสมัยเป็นเด็กๆ สมัยเป็นเด็กๆก็คงเน้นที่ของเล่นของกินเป็นประการสําคัญในปัจจุบันก็จะออกมาในรูปรัตน์ต่างๆนั่นก็หมายความว่าส่วนหนึ่งเราก็เกิดสะสมขึ้นในชีวิตประจําวันแต่เห็นได้ยินได้สดับสับฟังได้ดูรูปร่างต่างๆมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนจักชวนกันด้วยวิธีการต่างๆมันก็เพิ่มความใคร่ขึ้นไปได้เรื่อยๆในสุดก็กลายเป็นการมุปาทานทั้งในช่วงของการแสวงหาทั้งในช่วงของการครอบครองทั้งในช่วงของการที่สิ่งเหล่านั้นต้องละทิ้งจากไป ลักษณะของที่ถูกประทานก็เป็นเช่นนั้นและเกิดขึ้นจากพลาดคือความเห็นผิดของเราที่มีอยู่ก่อนเป็นเชื้ออยู่แล้วและการสดับต่อความการเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการขาดการยานมิตรที่เป็นผู้ชี้นําความคิดเ ป, เป็นผู้ให้เหตุผลเป็นผู้ร่วมปรึกษาในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วตนเองก็ขาดหลักของโยนิสุปนสสิการคือขาดการใช้ปัญญาเป็นเครื่องเป็นิพพิจนาตรวจสอบในสุดพวกอุปทานเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้โดยลำดับ แล้วก็ศึกษาไปถึงวิธีลดละสิ่งเหล่านั้นว่าสามารถลดละได้อย่างไรในชั้นการปฏิบัติการมุปาทานก็ต้องมองในแง่ของความเป็นจริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือมองให้เห็นทั้งความไม่สวยไม่งามเสียบ้างเพราะตามความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรสวยงามจริงๆในด้านของนิจุปาทานก็ต้องพยายามค้นหาสมาคมกับการละยายนมิตรที่เป็นบัณฑิตแล้วก็ใช้ความคิดที่เรียกประโยน์ในโสมนัสิการได้มากยิ่งขึ้น แต่การจะสงบระงับดับไปได้อย่างสิ้นเชิงคือจริงๆนั้นส่วนที่ถูกปาทานก็ต้องสงบระงับด้วยความเป็นประโยชนบัณฑส่วนของกามุปาทานก็สงบระงับไปได้จริงๆคือดับไปได้จริงๆนั้นอยู่ต้องขึ้นถึงระดับของพระอนาคามีบุคคลแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป